จิตสติปัญญาจิตคือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนี่ธรรมชาติของจิตทีนี้จิตดวงนี้จะเกิดรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาได้ต้องอาศัยสติเราภาวนาจนกระทั่งแทบเป็นแทบตายจนเอาชีวิตเข้าแลกจุดมุ่งหมายครั้งสุดท้ายก็คือสติตัวเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องยานไม่ต้องไปสนใจเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่จ้องอยู่ที่จิตของเราการเพ่งคือฌานสติเพ่งอยู่ที่จิตคือฌานทีนี้จิตรู้อยู่ที่จิตคือยานพอจิตไว้ตัวเกิดความคิดอ่านขึ้นมานั่นคือปัญญาสติตัวรู้ทันอยู่ทุกขณะจิต นั่นคือวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันอาศัยกันเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจแล้วมันลงเอ่ยอันเดียวกันอริยามรรครวมเป็นสาคือศีลสมาธิปัญญาในเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งคือสติวินโยสติเป็นผู้นำตลอดเวลา Thank you.